ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินเฮ้อข่าวจากสังคมอินเทอร์เน็ตชัดลูกรามใหญ่รพระพม่าตายแล้วฟื้นรีบศึกหาลาเพศไปเข้าศาสนาอื่นเหตุก็เพราะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในนรกพระพุทธเจ้าไม่ตั้งความเชื่อไว้ในพระผู้เป็นเจ้าจึงต็งเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงก็แย่แน่เลยพวกเราชาวพุทธไม่ต้องตกนรกกันหมดหรอือ เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องใหญ่เพราะแค่ความเชื่ออย่างเดียวก็ก่อให้เกิดศาสนาได้แล้วและในอีกทางหนึ่งเพียงแค่ด้วยความเชื่อที่ต่างกันก็ก่อให้เกิดมาหาสงครามมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนั่นเพราะเมื่อไรคนเราพูดด้วยความเชื่อไม่พูดด้วยเหตุผลคุณจะได้ยินอะไรที่เหลือเชื่อไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นทุกทีและที่หนักกว่านั้น คือต่างฝ่ายต่างอาจใช้แต่อารมณ์ในการทำอะไรก็ได้ขอเพียงสนองความเชื่อของตนเป็นพอลัทธิและศาสนาส่วนใหญ่อาศัยความไม่รู้และความกลัวเป็นเครื่องมือครอบงำจิตใจคนแต่ก็มีหลายศาสนาที่พยายามทำลายความไม่รู้และความกลัวให้สิ้นไปจากจิตใจมนุษย์ให้ความเป็นอิสระให้ความเป็นไทยขั้นสูงสุด เท่าที่จะมีอยู่ในธรรมชาติแก่ทุกคนในาศาสนาดังเช่นพุทธเรานั้นพระพุทธเจ้าแก้ความไม่รู้เบื้องต้นด้วยการแสดงความจริงเกี่ยวกับเหตุผลของการมีกายนี้และใจนี้คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรามีกรรมในอดีตเป็นเหตุผลของกายใจนี้เรามีกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุผลของกายใจในอนาคต ทำดีย่อมเป็นเหตุให้ได้เสวยสุขทำชั่วย่อมเป็นเหตุให้ได้เสวยทุกข์นี่คือความจริงขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะปักใจเลื่อมใสในใครก็จะยังคงต้องเป็นไปตามกรรมของตนอยู่ดีนี่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ในขณะยังมีชีวิตเมื่อทำแต่ความดีเป็นประจำใจย่อมสบายและมีรูปชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อทำแต่ความชั่วเป็นประจำ ใจย่อมอึดอัดและมีรูปชีวิตที่แย่ลงจากนั้นพระองค์จึงขจัดความไม่รู้ในเบื้องปลายด้วยการแสดงความจริงที่ว่ากายใจนี้เป็นก้อนทุกข์นรกจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญสำคัญที่ตราบใดมีกายใจตราบนั้นพวกเราได้ชื่อว่ากำลังแบกทุกข์แบกรังโรคแบกภาระ แบกต้นต่อของความตายและความพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอยู่เห็นเห็นนี่ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ขณะยังมีชีวิตเช่นกันเมื่อเราจเจริญสติจนเห็นความจริงว่ากายใจไม่เที่ยงไม่อาจคงรูปลักษณะใดอยู่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนเราย่อมมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นอิสระจากอุปาทานว่ามีเรา เป็นอิสระจากความกลัวว่าเราจะต้องเป็นผู้ตกนรกในชาติหน้าและเป็นอิสระจากความไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นทุกข์อะไรกันแน่ที่เป็นสุขศา ส, สนาพุทธเน้นกันตรงนี้ที่ของจริงต้องพิสูจน์ได้จับต้องได้รู้ได้เฉพาะตนในปัจจุบันแต่กลุ่มคนที่ยังไม่พอใจในปัจจุบันก็จะแยกไปรวมกลุ่ม ร่วมลัทธิร่วมศาสนาที่พอใจในอนาคตกับทั้งตั้งความเชื่อไว้ว่ามีนรกอันเกิดจากความไม่ศรัทธามีนรกอันเกิดจากไม่ยอมเข้าร่วมอุดมการณ์จะขึ้นสวรรค์ได้ก็ต้องศรัทธาต้องเข้าร่วมอุดมการณ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แม้ใครด่าว่าพระองค์ให้เราได้ยิน ก็อย่าเพิ่งไปโกรธอย่าเพิ่งด่วนโต้ตอบด้วยอารมณ์แต่ให้พิจารณาดูตามจริงว่าพระองค์ท่านเป็นอย่างเขาว่าไหมหากใช่ก็ยอมรับโดยดีแต่หากไม่ใช่หรือเห็นว่าเขาเข้าใจอะไรผิดก็แก้กันไปเท่าที่สามารถจะแก้ด้วยคําสอนและการปฏิบัติองค์เป็นแบบอย่างเช่นนี้เราจึงไม่เคยได้ยินว่า เกิดสงครามด้วยฝีมือชาวพุทธหัวรุนแรงที่คลั่งศาสนามีแต่การโต้ตอบด้วยวิธีอธิบายอันเป็นเหตุเป็นผลส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับใจของผู้รับว่าจะรับเหตุผลหรือจะยึดอยู่แต่สิ่งที่ตนเชื่อศาสนาที่ตั้งต้นด้วยการฝากความหวังทั้งหมดไว้กับโลกหลังความตาย คือศาสนาที่สาวกบางส่วนอาจไม่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมในปัจจุบันกระทั่งเข้าใจผิดคิดว่าให้ทำอย่างไรก็ได้ปั่นเรื่องแค่ไหนก็ได้ขอให้เกิดความกลัวในวงกว้างจูงคนมาเข้าหมู่เข้าพวกให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบใดๆไม่ต้องเกรงว่าจะเป็นเหตุแห่งการก่อสงครามทางศาสนาระหว่างคนในชาติขนาดไหน ก็ยังมีช่องทางให้เบียดเบียนอยู่ในศาสนาใดเราจะแน่ใจได้หรือว่าศาสนานั้นคือทางสวรรค์เหตุผลเป็นสมบัติของมนุษย์ทำให้มนุษย์สามารถเลือกเชื่อในสิ่งที่ถูกที่ควรแต่หากใครยอมให้คนอื่นปล้นเอาเหตุผลไปจนหมดก็เท่ากับไม่เหลือสมบัติแม้ความเป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปจะคงอยู่ก็แต่ความเป็นทาตทางความเชื่อเท่านั้นครับ บทความจากนิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่41ออ่านโดยโจโฉ